นังสือประวัติพระอาจารย์มั่นเป็นหนังสือเล่มแรกที่ได้มีการแนะนำให้รู้จากพระอาหารในยุคปัจจุบันเนี่ยพระอาหารนี่มีมาทุกยุคทุกสมัยแต่ในยุคปัจจุบันของพวกเราเนี่ยก็มีหนังสือประวัติพระอาจารย์มั่นเนี่ยที่ทำให้พวกเราได้รู้จักเับ พระอรหันต์ซึ่งถ้าเราไม่ได้ยินได้ฟังได้ศึกษาประวัตินี่ท่านก็เราอาจจะคิดว่าพระอรหันต์นี่ไม่มีแล้วเพราะพระอรหันต์นี่หายากส่วนใหญ่ท่านจะไม่ค่อยเปิดเผยท่านก็อยู่ไปเงียบ ที่อาศัยหนุ่มตามหาบัวท่านเป็นลูกศิษย์ของปู่มันท่านเคยอยู่ไปศึกษาอยู่ประมาณ8ปดปีด้วยกันได้ศึกษาพราะธรรมคาสอนได้นําคําสอนของท่านมาปฏิบัติจนตัวท่านเองก็ได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ท่านจึงมีความมั่นใจในความเป็นพระอาหารหันต์ของหลวงปู่มัน ท่านเจเนเขียนประวัติของหลวงปู่มั่นได้อย่างถูกต้องแม่นยำทุกอย่างหนังสือเกี่ยวกับประวัติพระที่เป็นพระในปัจจุบันนี้ไม่ไม่ค่อยมีให้อ่านกันหลวงตามหาบนูนี้ท่านมีความสามารถในการเผยแผ่สั่งสอนท่านก็เลย สละเวลาของท่านนั่งเขียนประวัติหลวงปู่มัน่นตอนนั้นสมัยนั้นยังเป็นไม่ได้เป็นหนังสือเป็นเล่มมีนิตยสาราสีสัปดาบรรณาธิการเขามีความศรัทธาในพระป่าก็าได้ขอเอาลงเอาไปลงในนิตยสารเป็นเป็นตอนตอนไปแล้วห้ังจากที่ครบ ลงจนครบหมดแล้วก็มีผู้มีจิตสัทธาเอามารวมเป็นแล่นแล้วก็พิมพ์แจกหนังสือธรรมะนี่ของตาท่านไม่มีการขายไม่มีการซื้อขายท่านว่าธรรมะนี่เป็นสิ่งที่มีล้ำค่าที่จะมาซื้อขายได้ไม่มีราคา ท่านเชื่อท่านถือว่าการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงธรรมทานเพราะธรรมะมีคุณค่ามีประโยชน์ยิ่งกว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้สิ่งต่างๆทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้ทําประโยชน์ได้ก็เพียงแต่ให้ร่างกายเราอยู่สุขสบายแต่ก็ไม่สามารถที่จะ ยับยั้งความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายได้ยับยั้งความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายได้แต่ธรรมะของพระพุทธเจ้านี่ยสามารถที่จะดับความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายได้และสามารถยุติการกลับมาเกิดแก่เจ็บตายได้ถ้าไม่มีธรรมะเนี่ย จิตของสัตว์โลกก็ยังจะต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดอย่างพวกเราเนี่ยเวียนว่ายตายเกิดกันมาอย่างโชคโชว์อย่างนับไม่ถ้วนน่าจะเวียนว่ายตายเกิดต่อไปจนกว่าเราจะได้พบธรรมะแล้วเกิดศรัทธาที่จะเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้า มาปฏิบัติอย่างจริงจังมาปฏิบัติอย่างเต็มที่แล้วธรรมะของพระเจ้าก็จะสามารถดับความทุกข์ต่างๆที่มีในใจของผู้ปฏิบัติได้หมดสามารถหยุดยุติการเกิดแก่เจ็บตายไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายต่อไป ท่านถึงเรียกว่าการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงเพราะไม่มีอะไรที่จะสามารถดับความทุกข์ใจต่างๆในใจของสัตว์โลกอย่างพวกเราได้ต่อให้มีเงินทองกองเท่าภูเขาก็ยังร้องห่มร้องไห้กันอยู่ยังทุกข์ยังวุ่นวายใจกันอยู่ยังไม่สบายใจยต่อให้เป็นพระราชามหากษัตริย์ประธานาทิบดี นายกรัฐมนตรีรัฐมนติก็ยังต้องเศร้าโศกเสียใจยังไม่สบายใจกันอยู่ไม่ว่าจะมีอะไรมากน้อยเพียงไรในโลกนี้เป็นดาราภาพยนตร์นแบบนางแบบเป็นนางงามจักรวาลก็ยังร้องหมร้องไหย้ยังต้องเศร้าโศกเสียใจกันอยู่ ต่อสิ่งต่างๆที่มีในโลกนี้เช่นราบยศสารเสริญรูปเสียงกลิ่นรสพศพะนี่ไม่สามารถดับความทุกข์ได้นอกจากไม่ดับความทุกข์แล้วยังเป็นเชื้อเพลิงของความทุกข์สิเป็นเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาสิมีเงินคิดอย่าไปคิดว่าจะมีสุขอย่างเดียวเวลามีเงินได้เงินมันก็สุข แต่เวลาเสียเงินมันก็ทุกข์กันเวลาจเจริญราบก็สุขเวลาเสื่อมราบก็ทุกข์กันกินไม่ได้นอนไม่หลับเวลาจเจริญยศก็ดีใจกันได้แต่งตั้งให้เป็นนั่นเป็นนี่พอถูกปลดก็เสียใจกันอของที่เราคิดว่าจะให้ความสุขกับเราเนี่ย มันก็มาให้ความทุกข์กับเราได้ด้วยจึงไม่ได้เป็นสิ่งที่วิเศษวิโสเลยเพราะฉะนั้นการให้ธรรมะท่านถึงบอกว่าเป็นการชนะการให้ทั้งปวงเพราะจะสามารถดับความทุกข์ของผู้ที่มีธรรมะได้ธรรมะ ระดับความทุกข์ที่มีในใจให้หมดสิ้นไปได้ไม่ต้องกลับมาทุกข์กับการเกิดแก่เจ็บตายอย่างไม่มีวันสิ้นสุดได้หนั mm hmm. งสือธรรมะจึงมีคุณค่ามากจ mm hmm. ึงไม่ต้องการจะขายหาเงินรายได้ ก็จะทำให้ผู้ที่มีไรายได้น้อยไม่สามารถที่จะเข้าถึงธรรมะได้ธรรมะนี้เป็นของที่มีความจำเป็นต่อทุกๆคนไม่ว่าจะรวยหรือจะจนดังนั้นทุกคนต้องมีสิทธิที่จะเข้าถึงธรรมะได้ยังไม่มีการขายหนังสือธรรมะกัน หรงตาพระโบนี่ท่านพิมพ์หนังสือท ร, รมาแจากมาตลอดเวลาคำสอนของท่านที่ได้จดบันทึกเอาไว้หนังสือที่ท่านแต่งขึ้นมาหนังสือที่ท่านแต่งขึ้นมาก็มีสองเล่มสำคัญสาคัญคือประวัติพระอาจารย์มั่นแล้วก็ปฏิปทาพระธุดงกรรมฐานอันนี้ก็เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติของพระอาจารย์รูปต่าง ที่ได้ไปอยู่ได้ศึกษากับพระอาจารย์มั่นและมีประวัติย่อยๆของแต่ละท่านมาประกอบเนี่ยพอมีพระอาหารปรากฏขึ้นมารูปแบบเนี้ยก็จะทําให้มีพระอ า, ารามปรากฏขึ้นมาได้อย่างหลายอย่างมากมายพอมีหลวงปู่มั่นท่านมาบรรลุปเป็นพระอ า, ารามพอมีพระอาจารย์ พรเป็นศึกษากับท่านก็ได้บรรลุปเป็นพระอรหันต์กันหลายรูปด้วยกันพระอาจารย์สายหลวงปู่มั่นนี่ที่ได้บรรลุปเป็นพระอรหันต์นี่มีอยู่มากมายที่เรารู้กันได้อย่างไรก็รู้ว่าส่วนหนึ่งก็อยู่ที่การคำสอนของท่านใครปใครไปศึกษาคำสอนแล้วปฏิบัติแล้วสามารถ บรรลุถึงผลที่ท่านสอนได้ก็จะรู้ว่าคนสอนนี้ท่านเป็นพระอาหารหันต์อีกส่วนหนึ่งก็รู้ได้จากเวลาที่ท่านตายไปแล้วอัฐิหรือกระดูกของท่านบางส่วนก็จะกลายเป็นพระธาตุไปถ้าเป็นคนธรรมดานี้กระดูกหรืออัฐินี้จะไม่มีวันเปลี่ยนเป็นพระธาตุได้จะผุกลายเป็นดินไป ถ้าเป็นของพระอาหารหันต์ของพระพุทธเจ้านี้จะรวมตัวเป็นธาตุขึ้นมาเป็นเหมือนก้อนหินขึ้นมาอันนี้พวกเราจึงได้รับคุณรับประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้เป็นอย่างมากเพราะทำให้เราตัดความลังเลสงสัยว่าพระอาหารหันต์ยังมีอยู่ในโลกนี้หรือเปล่าเพราะบางคนคิดว่า หลังจากที่พระพุทธเจ้าจากไปแล้วก็จะไม่มีใครมาสอนให้เป็นพระอาหารหันต์กันได้ก็เลยไม่มีใครรู้ว่ามีพระอาหารหันต์อยู่ในเมืองไทยกันพอมีหนังสือของพระ้าจารยนมั่นขึ้นมาคนก็อ่ะคนที่ได้อ่านก็ได้รู้จักพระสายปฏิบัติสายหลวงปู่ ม, มั่น ก็เรได้ศึกษาได้ไปปฏิบัติกันแล้วก็ได้เห็นผลจากการปฏิบัติตามคำสอนของครูบาอาจารย mm hmm. ์ก็เลยมีความมั่นใจว่าพาาระอรหันต์ยังมีอยู่ในปัจจุบันี้ mm ่ hmm. ังที่พระเจ้าเสด็ทรงตัดไว้ว่าตามใดถ้ายังมีการปฏิบัติดี mm hmm. ปฏิบัติชอบอยู่ mm hmm. มีการปฏิบัติสมควรแก่ทางอยู่ พระอาหารจะไม่ปราศจากโลกนี้ไปพระอาหารนี้จะมีขึ้นมาเรื่อยๆทุกยุคทุกสมัยถ้ามีผู้ศึกษาและปฏิบัติพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าได้ศึกษาก็จะได้รู้จักแนวทางที่ถูกต้องว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรแล้วถ้านำเอาไปปฏิบัติได้ก็จะสามารถบรรลุ ผลของการปฏิบัติได้มารู้เป็นพระอริยะบุคคลขั้นต่างๆที่มีอยู่สขั้นด้วยกันขั้นที่หนึ่งเรียกว่าพระโสดาบันขั้นที่สองเรียกว่าพระสกิดาคามีขั้นที่สารเรียกว่าพระอนาคามีและขั้นที่ส่เรียกว่าพระอรหันต์ขั้นที่หนึ่งนี่ยังยังดับความทุกข์ไม่ได้ทั้งหมด ดับความทุกข์ได้บางส่วนแล้วตัดภพชาติการเวียนว่ายตายเกิดให้เหลือไม่เกินเจดชาติถ้าได้ขั้นที่สองพระสกิดาคามีก็จะดับความทุกข์ได้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ตัดภพชาติเหลือเพียงหนึ่งชาติเดียวจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพียงเอกชาติเดียวเป็นอย่างมาก สำแหรับพระบุคคลพระอริยบุคคลขั้นที่สองคือพระสกิดาคามีถ้าได้ขั้นที่สามเป็นพระอนาคามีก็จะกลับมาไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปแต่จะไปเกิดเป็นพรหมไปอยู่สวรรค์ชั้นพรหมก่อนก่อนที่จะไปสู่พระนิพพานก่อนที่จะบรรลุ หลังจากที่ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ขั้นที่สก็จะได้ไปถึงพระนิพพานไปสู่ที่ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปนี่คือประโยชน์ที่เราได้รับจากการได้อ่านหนังสือธรรมะเช่นประวัติของพระอาจารย์มันนีจะทำให้เรากำจัดความลังเลสงสัยได้ว่า ธรรมของพระพุทธเจ้านี้ยังสามารถยังผลให้แก่ผู้ศึกษาผู้ปฏิบัติได้หรือไม่ <Yeah. S 1> มันก็จะทำให้ผู้ที่ได้ศึกษาจะมีศรัทธา <Okay. S 1> มีความยินดีมีฉันทะวิริยะมีความอุตสาหะภาคเพียร พ, พยายามที่จะศึกษาเพื่อนำไปปฏิบัติ <Yeah. S 1> เพื่อจะได้บรรลุผลขั้นต่างๆ ที่พระพุทธเจ้าได้ส่งสอนได้ส่งบรรลุมาแล้วอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเรื่องศรัทธานี่ยถ้าไม่มีศรัทธาไม่มีความเชื่อมันก็ไม่มีกำลังใจที่จะไปศึกษาไปปฏิบัติเพราะไม่รู้ว่าปฏิบัติแล้วจะได้อะไรหรือไม่ได้อะไรเหมือนกับถ้าเราไปทำงานแล้วเราไม่รู้ว่าเขาจะจ่ายเงินเดือนให้เราหรือเปล่า เราก็ไม่มั่นใจไม่มีความมั่นใจว่าไปทำงานทำไมทำแล้วไม่รู้ว่าสิ้นเดือนเขาจะมีเงินเดือนให้เราหรือเปล่าแต่ถ้ารู้ว่าเขาจะให้เงินเดือนเรานะมีคนได้รับเงินเดือนมาแล้วมายืนยันว่าบริษัทนี้ไม่ไม่หลอกทำงานแล้วเดี๋ยวสิ้นเดือนเขาก็จ่ายเงินเดือนให้มันก็จะทำให้เรามีความเชื่อมั่นในบริษัท มีกำลังใจที่จะไปทำงานไม่ขาดงานไม่หนีงานล้วพอสิ้นเดือนก็ได้เงินเดือนตามที่เขาได้ตกลงไว้พระพุทธศาสนาก็เป็นอย่างนี้ถ้าเรารู้ว่าถ้าเราปฏิบัติตามคำสอนแล้วเราจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆ ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเราก็จะมีกำลังใจที่จะทําตามคําสอนแต่ถ้าเราไม่มั่นใจว่าทําไปแล้วจะได้อะไรหรือไม่ได้อะไรเราก็ไม่อยากจะทําอย่างนั้นการที่เรามีหนังสือดีๆอย่างประวัติของพระอาจารย์ม่านนี้ไม่ใช่เป็นของหาง่าย นานจะหาคนที่สามารถเขียนได้อย่างถูกต้องแม่นยำมีความมั่นใจร้อยเปอร์เซนตในความรู้ความสามารถของหงลวงปู่มั่นเองท่านต้องไปอยู่ไปดูวิธีการปฏิบัติวิธีการสอนแล้วก็ผลที่ได้จากการปฏิบัติที่ท่านเล่าให้ฟัง พอไปศึกษาไปปฏิบัติเดี๋ยวผลที่ท่านเล่าให้ฟังก็ปรากฏขึ้นมาในใจของผู้ปฏิบัติเองมันก็ลยยืนยันกันว่าท่านนี้เป็นพระอาหารหันต์จริงๆเพราะว่าสิ่งที่ท่านสอนสิ่งที่ได้สัมผัสท่านได้สัมผัสผู้ที่ไปศึกษาได้นําเอาไปปฏิบัติและได้สัมผัสเหมือนกัน อันนี้แหละเป็นวิธีที่จะทำให้ดีความ <c oughs> เชื่อมั่นในพระอาหารหันต์ต่างๆแต่ถ้าเราไม่ได้ไปศึกษาไม่ได้ไปปฏิบัติเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะอ่านเราก็ยังไม่รู้ว่าท่านเป็นจริงหรือไม่แต่อย่างน้อยเราก็จะได้รู้ว่าท่านเป็นอย่างนี้ อยู่ที่ตัวเราว่าเราจะสามารถพิสูจน์ได้หรือเปล่าวิธีที่จะพิสูจน์ก็ต้องปฏิบัติตามคำสอนของท่านถ้าปฏิบัติตามคำสอนแล้วผลก็จะเกิดขึ้นมาเมื่อเกิดขึ้นมาเราก็จะหายสงสัยตอนนี้ก็อย่างน้อยได้เรียนรู้ว่ามีพระอาหารหันต์ในยุค ป, ปัจจุบัน มีลูกศิษย์ลูกหาของพระอาจารย์มั่นที่ไปศึกษากับท่านได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์กันเป็นจำนวนมากและมีลูกศิษย์ลูกหาที่ไปศึกษากับลูกศิษย์ของพระอาจารย์มั่นอีกทอดนก็ได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์กันมันก็จะทำให้เรามีกำลังใจที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติ อันนี้เป็นเป็นประโยชน์ของการให้ธรรมะซึ่งเป็นของมีประโยชน์มากกว่าให้อาหารให้ที่ อ, อาศัยให้ยารักษาโรคให้เครื่องนุ่มผมซึ่งก็มีความสำคัญมีความจําเป็นแต่ก็ไม่สำคัญเท่ากับการให้ธรรมะให้ปัจจัยสี่ก็จะช่วยยังชีพ ให้ร่างกายนี้อยู่ไปอย่างไม่ทุกข์ยากเดือดร้อนไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ถึงแก่ความตายไปก่อนเวลาอันควรแต่ก็ไม่สามารถทำให้ใจหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้ไม่สามารถทำให้ใจหลุดพ้นจากความความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตาย ของตนเองและของผู้อื่นได้เวลาคนที่เราลักตายจากเราไปเราก็ร้องหม่มร้องไห้กันเศร้าโศกเสียใจกันเวลาที่เราจะต้องตายเราก็ร้องหม่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจกันแต่ถ้าเราได้ศึกษาธรรมะแล้วเราเอาไปปฏิบัติจนเราสามารถบรรลุถึงผลของการปฏิบัติได้ เราจะไม่ทุกข์เลยกับความแก่ความเจ็บความตายของเราเองก็ดีของผู้อื่นก็ดีเพราะเรามีธรรมะที่จะบอกเราสอนเราว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราเร่างกายนี้มันเป็นเหมือนตุ๊กตาตัวหนึ่งที่เราได้มาตอนเป็นเด็กๆนี่เราคงจะได้เล่นตุ๊กตากัน เล่นได้ของเล่นกันพ่อแม่ซื้อของเล่นมาให้เราเล่นร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนของเล่นอันหนึ่งที่พ่อแม่ให้เรามาตั้งตอนที่เราเกิดตอนที่ร่างกายนี้เกิดออกมาจากท้องแม่เนี่ยเราได้รับของขวัญเราเป็นใครถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาบอกเราจะไม่รู้ว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นใจ ตอนนั้นเราเรียกว่าดวงวิญญาณตอนที่ไม่มีร่างกายนี้ใจจะเรียกว่าดวงวิญญาณดวงวิญญาณก็จะมารับร่างกายที่พ่อแม่สร้างขึ้นมาแล้วพอคลอดออกมาก็ไม่มีใครบอกเราว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราทุกคนก็มาบอกว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราเราเลยหลงกัน เลยไม่รู้ความจริงว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราตัวเราคือใจคือดวงวิญญาณที่ตายมาจากชาติก่อนที่ร่างกายของเราอันเก่ามันตายไปพอร่างกายเก่าของเราตายไปเราที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายเราก็มาหาร่างกายอันใหม่กันเรามาในรูปของดวงวิญญาณผู้รู้ผู้คิดนี่แหละ เป็นดวงวิญญาณพอพ่อแม่สร้างร่างกายอันใหม่ขึ้นมาเราก็ไปรับมาเป็นของเราทันทีพอเราคลอดออกมาพอร่างกายคลอดออกมาเราก็คิดว่าเป็นตัวเรากันเราก็เลยรักและหวงหวงร่างกายนี้เวลาร่างกายเป็นอะไรเราจะทุกข์กันมากเวลาไม่สบายที่นึงนี่ทุกข์กัน ไม่สบายทางร่างกายแล้วยังต้องมาทุกทางใจด้วยเ <Yeah. S 1> พราะเราไม่รู้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเรา <Yeah. S 1> เราคิดไปเอง <Yeah. S 1> ทุกคนคิดไปเอง <Yeah. S 1> ไม่มีใครรู้ <Yeah. S 1> นอกจากพระพุทธเจ้าเท่า น, นั้นถึงจะรู้ได้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเรา yeah. Yeah. เรา นี่คือธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีธรรมะคาสอนเราก็จะคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราพอมันเป็นตัวเราเราก็อยากจะให้มันไม่ตายไม่แก่ไม่เจ็บกันเพราะเราไม่เราอยากจะอยู่กันเรามีความอยากที่จะหาความสุขจากการมีร่างกาย าะมีร่างกายแล้วทำให้เราไปหาความสุขต่างๆกันได้เช่นเราอยากจะไปเที่ยวเราก็ต้องมีร่างกายเราอยากจะมีแฟนเราก็ต้องมีร่างกายเราอยากจะมีเงินทองมีอะไรต่างๆเราก็ต้องมีร่างกายเป็นเครื่องมือไปหาสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้พอเราได้สิ่งต่างๆที่เราอยากได้มาเราก็มีความสุขกัน เราก็เลยเห็นคุณค่าของร่างกายว่าเป็นตัวที่ทำให้เรามีความสุขกันเราจริงไม่อยากให้มันแก่ไม่อยากให้มันเจ็บไม่อยากให้มันตายแต่ร่างกายนี้มันเป็นธรรมชาติที่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกันไม่มีใครไปห้ามมันได้ร่างกายทุกร่างกายพอเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปในที่สุด ใจที่หลงไปที่ว่าเป็นร่างกายก็เลยทุกข์กันแต่ใจที่ไม่หลงเช่นใจของพระพุทธเจ้าใจของพระอาหารหันตสาวกนี่ท่านรู้ท่านได้ศึกษาท่านเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เป็นตัวท่านท่านก็เลยไม่ทุกข์กับร่างกายเพราะท่านไม่ได้เพราะท่านรู้ว่าท่านไม่ได้เป็นร่างกายท่านไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกาย ใจนี้ไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บไม่มีวันตายใจคือผู้รู้ผู้คิดผู้สั่งให้ร่างกายทาอะไรต่างๆไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไปกับร่างกายร่างกายนี้จะไปไห้มาไหนได้จะทำอะไรได้ต้องให้ใจเป็นผู้สั่งก่อนอย่างวันนี้จะมาวัดได้ก็ต้องคิดก่อนคิดว่าวันนี้วันพระมาวัดมาฟังเทศฟังธรรม พอถึงเวลาก็สั่งให้ร่างกายเดินมาเดินขึ้นรถขับรถมากันนั่งรถมากันพอถึงวัดก็เดินลงมาขึ้นศาลาหาที่นั่งฟังเทศน์ฟังธรรมกันผู้ที่สั่งนี้ไม่ใช่ร่างกายร่างกายสั่งตัวเองไม่ได้เวลาร่างกายไม่มีใจนี่ร่างกายก็เป็นซากศพไปซากศพนี้มันไปไหนมาไหนของมันเองได้นะ สั่งให้มันเดินเข้าโรงนั่นเองได้ไหมไม่ได้ต้องมีคนมาแบกมาหาเข้าโรงกันมีคนมาแบกให้เข้าเมนกันเพราะร่างกายมันไม่มีผู้สั่งแล้วผู้สั่งจากกันไปแล้วเพราะร่างกายไม่สามารถอยู่ต่อไปได้ร่างกายหยุดทำงานแล้วบมดลมหายใจแล้วเวลาร่างกายตายเอาคิดเอาเอ า, เอาเข็มไปทิ่มมันมันจะไม่สะุ้ง แต่ถ้ายังไม่ตายเช่นยังป่วยอยู่ยังยังเจ็บอยู่นอนอยู่ถ้าใครเอาเข็มไปทิ่มมันก็จะสะดุ้มขึ้นมาอยู่เพราะว่ายังมีผู้รับรู้อยู่ผู้รับรู้ก็คือใจนี่เกิวิธีหนึ่งที่เราจะพิสูจน์หรือสอนให้เรารู้ว่าเรากับร่างกายนี้เป็นคนละคนกันเป็นคนละส่วนกันร่างกายทำมาจากดินน้ำนมไฟ น, น้ำลมไฟมาจากมาในรูปแบบของอาหารอาหารที่เรากินนเช่นข้าวมันมาจากดินผักก็มาจากดินเนื้อสัตว์ต่างๆมันก็กินผักกินข้าวอีกทีนึ่งแ้าก็มาเป็นเนื้อสัตว์แล้วเราก็กินเนื้อสัตว์มันก็เป็นดินเหมือนกันนั้นอาหารที่เรากินนี่มันเป็นดินแล้วก็น้ำที่เราดื่มก็เป็นน้ำท่าน้า ลมที่เราหายใจเข้าออกก็เป็นาธาตุลมความร้อนที่มีอยู่ในร่างกายก็เป็นาธาตุไฟนี่คือร่างกายมีาธาตุทั้งสี่ที่มารวมกันจึงทาให้เกิดมีอาการสามสิบสองขึ้นมามีผมมีขนมีเล็บมีฟันเนี่ยมันมาจากอาหารเนี่ยถ้าไม่กินอาหารตั้งแต่เกิดมานี่มันจะโตขึ้นมาได้ไหย ร่างกายของเด็กที่คลอดมาเนี่ยถ้าคลอดมาแล้วปล่อยให้นอนเฉยๆไม่ต้องให้กินน้ำกินอาหารมันจะเจริญเติบโตขึ้นมาได้หรือเปล่าอะไรทำให้มันเจริญเติบโตขึ้นมาถ้าไม่ใช่ดินน้ำลมไฟที่เราเอาเข้าไปในรูปแบบของอาหารชนิดต่างๆดฉะนั้นดินน้ำลมไฟที่เป็นอาหารก็มาเปลี่ยนเป็นผมขนเล็บฟัน ทำให้ผมผมยาวขึ้นทำให้เล็บยาวขึ้นทำให้มีฟันมากขึ้นเด็กเกิดมาใหม่ๆไม่มีฟันนะแล้วเดี๋ยวฟันก็งอกมาทีละซี่สองซี่จะเริ่มโตตัขึ้นไปเรื่อยๆกระดูกก็ใหญ่ขึ้นแขนขาก็ยาวขึ้นเนื้อหนังก็มากขึ้นมาจากอาหารที่เรากินเข้าไป แล้วอาหารมันมาจากไหนมันก็มาจากดินน้ำลมไฟแล้วร่างกายนี้มันไม่ได้เป็นอะไรหรอกมันเป็นดินน้ำลมไฟที่มารวมตัวกันแล้วก็มาสร้างอาการสามสิบสองขึ้นมาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกอวัยวะต่างๆเนี่ยมันมาจากธาตุสี่แล้วเวลาร่างกายนี้หยุดหายใจมันก็แยกตัวกันใช่มันไม่ได้อยู่ เป็นร่างกายอย่างนี้ไปตลอดพอ ร, ร่างกายหยุดหายใจธาตุมันก็แตกความสามคัคคีกัน mm. เขาเรียกธาตุแตก mm. แตกแยกไม่อยู่ร่วมกันธาตุลมก็ออกไปก่อนนะธ mm. าตุไฟก็ตามไปพอลมไม่ไม่เข้าลมออกไปไฟก็ออกไปร่างกายคนตายนี่เย็นกับร่างกายของคนเป็น แล้วต่อมาธาตุน้าก็ออกมาถ้าไม่เอาไปทาอะไรปล่อยทิ้งไว้เฉยๆน้ามันก็จะไหลออกมาร่างกายก็จะขึ้นอืดพองเน่าแล้วเดี๋ยวก็แห้งกรอบผุเป็นดินไปนี่คือร่างกายที่ไม่มีตัวตนที่เราไปหลงคิดว่าเป็นตัวเราของเราเพราะเราไม่รู้จักตัวเราของเราว่าเป็นใครนั่น มีพระพุทธเจ้านี้แหละที่ทรงคนพบว่าตัวเราคือใจผู้รู้ผู้คิดผู้สั่งให้ร่างกายทําอะไรต่างๆผู้รู้ผู้คิดนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายพอร่างกายนี้ตายไปผู้รู้ผู้คิดถ้ายังมีความอยากมีร่างกายอยู่ก็ไปหาร่างกายใหม่ไปเกิดใหม่เราจึงกลับมาเกิดใหม่อยู่เรื่อย หลังจากร่างกายอันเก่าตายไปเราก็าไปเกิดไปหาร่างกายอันใหม่กันต่อแต่การเกิดมันไม่ดีตรงที่ว่าเกิดมาแล้วมันต้องทุกข์กับการดูแลเลี้ยงดูทำมาอากินแล้วก็ต้องมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายต้องมาทุกข์กับการพัดพรากจากกันแล้วก็มาทุกข์กับภัยต่างๆ ภัยทางธรรมชาติน้ำท่วมไฟไหมพายุธล่มแล้วก็มาทุกข์กับคนไม่ดีวิชาชีพทั้งหลายแล้วก็มาทุกข์กับโรคภัยไข้เจ็บมีแต่ความทุกข์รอบด้านเวลามาเกิดมีพระพุทธเจ้าจึงไม่อยากมาเกิดท่านก็เลยค้นหาสาเหตุของการมาเกิด มาเกิดจากอะไรต่านก็พบว่าเกิดจากความอยากนี่แหละอยากจะหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายมีใครไม่อยากหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย้อยากดูหนังนี่ก็เป็นความอยากหาความสุขทางตาทางหูแล้วดูหนังก็ได้เห็นทั้งภาพได้ยินทั้งเสียงเวลาอยากกินขนมเวลาอยากจะดื่มเครื่องดื่ม มันก็เป็นความอยากทางลิ้นทางกลิ่นทางจมูกอันนี้เป็นความอยากที่ทำให้เราต้องกลับมามีตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อที่เราจะได้เสพลูกเสียงกลิ่นรสต่างๆนั่นเองพระพุัธเจ้าก็เลยหยุดความอยากไม่ทำตามความอยากมันอยากดูก็ไม่ดูอยากฟังก็ไม่ฟัง เมื่อก่อนอยู่ในวังได้ดูได้ฟังได้กินได้ดื่มทุกอย่างตามความอยากพอเห็นว่าความอยากมันเป็นทังตัวที่จะทำให้ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายก็เลยหนีไปบวช ด, ดีกว่าหนีไปอยู่ที่ไม่มีสิ่งที่ให้เราดูให้เราฟังกันแล้วก็ต่อสู้กับความอยากด้วยการหยุดความคิดความคิดมันนำไปสู่ความอยาก พอเราคิดถึงขนมก็อยากกินคิดถึงเครื่องดื่มก็อยากดื่มคิดถึงที่ท่องเที่ยวก็อยากจะไปแต่พอเราหยุดความคิดได้ความอยากมันก็โผล่ขึ้นมาไม่ได้ในที่สุดพระพุทธเจ้าก็หยุดความอยากได้พอหยุดความอยากได้ใจของท่านก็เลยไม่ต้องมาเกิดใหม่เหมือนพวกเราใจของพวกเรายังหยุดความอยากไม่ได้กัน ยังอยากไปเที่ยวกันยังอยากไปหาความสุขทางตาหูจมูกร่้งกายกันยังอยากมีอยากเป็นกันยังอยากได้น่นอยากได้นี่อยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากให้คนยกย่องสรรเสริญเยินยออยากมีหน้านีตาความอยากเหล่านี้มันเป็นตัวที่ทำให้เราต้องกลับมามีร่างกายอันใหม่กันถ้าเรา ไม่ต้องการจะกลับมามีร่างกายใหม่เราก็ต้องหยุดความอยากเหล่านี้วิธีจะหยุดความอยากเหล่านี้ก็ต้องทําแบบพระพุทธเจ้าหนีไปอยู่ในป่าหนีไปอยู่ตามวาดัดป่าวัดเขาแล้วก็หยุดการกระทําตามความอยากต่างๆทําทใจให้นิ่งให้สงบควบคุมความคิดให้มันหยุดคิดพอใจหยุดคิดใจก็นิ่งสงบแล้วใจก็เกิดความสุขขึ้นมา ทำให้ไม่ต้องไปทำตามความอยากได้ถ้าใจยังไม่มีความสุขนี้มันทนความอยากไม่ได้พออยากอะไรแล้วมันต้องไปทำตามความอยากแต่ถ้าเราสามารถทำใจให้สงบได้ใจมีความสุขแล้วถ้าเกิดความอยากขึ้นมาก็ฝืนมันได้กลับไปหาความสงบไปหาความสุขที่เกิดจากความสงบได้ ไปหาความสุขแบบที่ไม่ต้องทำตามความอยากมีความอยากสองแบบความอยากที่ได้จากการทำตามความอยากกับความสุขที่ได้จากการหยุดความอยากเวลาเราไม่ทำตามความอยากเราหยุดความอยากได้ใจก็สงบใจก็มีความสุขขึ้นมาความสุขแบบนี้แหละเป็นความสุขที่เที่ยงแท้ถาวรที่จะอยู่กับเราไปตลอด แต่ความสุขที่เราได้จากการทําตามความอยากมันไม่เที่ยงแท้ถาวรได้มาแล้วเดี๋ยวก็หมดไปไปเที่ยวมากลับมาบ้านความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวก็หมดไปไปดูหนังฟังเพลงกลับมาบ้านความสุขที่ได้ก็หมดไปทำให้เราหิวขึ้นมาใหม่ทำให้เราเกิดความอยากขึ้นมาม่ต้องไปเที่ยวใหม่ต้องไปดูหนังฟังเพลงใหม่ มันจึงทำให้เราต้องกลับมาเกิดใหม่กันแต่ความสุขที่หยุดความอยากได้ที่เกิดจากการหยุดความอยากได้นี่มันทำให้เราอิ่มทำให้เราพอทำให้เราไม่มีความอยากได้อะไรพระพุทธเจ้าก็เลยได้ท่งค้นพบวิธีที่จะทาให้หยุดความอยากได้ก็คือต้องนั่งสมาธิกันต้องฝึกนั่งสมาธิกัน วิธีจะนั่งสมาธิแล้วทาใจให้สงบได้ต้องหยุดความคิดกันถ้าหยุดความคิดไม่ได้ใจก็สงบไม่ได้ใจก็จะหยุดความอยากไม่ได้ใจก็จะไม่มีความสุขในวิธีที่จะหยุดความคิดก็ต้องมีอะไรควบคุมความคิดไว้สิ่งที่จะควบคุมความคิดนี้เราเรียกว่ากรรมฐานกรรมฐานคืออารมณ์ที่เราใช้ให้จิตเกาะติดอยู่ เพื่อที่จะได้ไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆเช่นพุทธานุสตินี้ก็เป็นกรรมฐานอย่างหนึ่งการเราเลึกถึงพระพุทธเจ้าเช่นระลึกคําว่าพุทธโธพุทธโธพุทธโธนี่เรียกว่าเรากําลังจเจริญกรรมฐานพุทธานุสติถ้าเราอยู่กับพุทธโธพุทธโธไปเราก็จะไม่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้พอไม่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าเรานั่งเฉยๆจิตก็จะนิ่งจะสงบ แล้วเราก็จะพบกับความสุขที่เกิดจากการหยุดไม่การที่ไม่มีความอยากเวลาใจนิ่งสงบนี้ความอยากไม่ทางานเราก็มีความสุขโดยที่เราไม่ต้องไปทาตามความอยากต่างๆพอเราออกจากสมาธิมาพอความอยากโผล่ขึ้นมาเราก็หยุดมันโดยการใช้สติพุโทโธพุโทโธไป ด้วยการใช้ปัญญาสอนใจว่าอย่าไปทําตามความอยากเป็นอันขาดความอยากนี้จะพาให้เราไปหาความทุกข์กันไปเจอความทุกข์กันจะทำให้เราต้องไปเกิดไปแก่ไปเจ็บไปตายกันงั้นเราอย่าไปทําตามความอยากพอเรารู้ว่าความอยากเป็นพิษเป็นภัยกับเราเราก็ไม่ทําเลยเราก็กลับไปใช้พุทธโธหยุดมันพุทธโธพุทธโธ กลับไปนั่งสมาธิพอจิตสงบความอยากก็หายไปแล้วต่อไปความอยากมันก็จะไม่กลับมารบกวนใจเราเพราะมันมาแล้วเราไม่ทําตามมันเมื่อเราไม่ทําตามมันมันก็ไม่รู้จะมาทําไมเมื่อก่อนมันมาอยู่เรื่อยๆเพราะว่าเวลามันมาแล้วเราไปทําตามมันมันก็เลยกลับมาใหม่มาชวนเราไปเที่ยวเราก็ไปเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็กลับมาชวนเราใหม่ ถ้ากิดวันนี้มาชวนเราไปเที่ยวเราไม่ไปพรุ่งนี้มันก็ไม่มาหรือถ้ามันมาเราก็ไม่ไปอีกพอเราไม่ไปบ่อยๆเข้ามันก็ไม่มาเองความอยากมันก็จะหายไปแล้วเราก็จะอยู่อย่างสบายอยู่แบบไม่มีความอยากอยู่แบบสงบอยู่แบบในความสุขแล้วถ้าร่างกายเป็นอะไรเราก็จะไม่ทุกข์ เพราะความอยากไม่แก่ก็จะไม่มีความอยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่มีความอยากไม่ตายก็ไม่มีเพราะเรารู้ว่าห้ามมันไม่ได้ห้ามร่างกายไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายไม่ได้แลเรารู้ว่ามันก็ไม่ได้เป็นตัวเราเราไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายร่างกายเป็นอะไรเราจะไม่เดือดร้อนเหมือนกับตอนนี้เราไม่เดือดร้อนกับร่างกายของคนอื่นใช่ไห คนอื่นจะแก่จะเจ็บจะตายเราเดือดร้อนหรือเปล่าเราไม่เดือดร้อนเพราะเรารู้ว่าไม่ใช่ตัวเราอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราพบตัวเราที่แท้จริงว่าตัวเราที่แท้จริงคือใจผู้สั่งผู้คิดไม่ใช่เป็นร่างกายเราก็จะรู้เฉยๆไปเราก็จะเป็นผู้รู้ก็เรามีหน้าที่รู้ก็รู้ไปเราไม่ต้องไปยุ่งกับร่างกายเหมือนกับร่างกายของคนอื่น เราก็รู้ว่ามันไม่ใช่เป็นร่างกายของเราเราไปทำอะไรไม่ได้ร่างกายของคนอื่นร่างกายของเราก็เหมือนกับร่างกายของคนอื่นมันไม่ใช่ตัวเราของเราเราก็จะไม่มีความอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันจะแกะ่มันจะเจ็บจะตายก็เรื่องของมันเราจะรู้สึกเฉยเฉยนี่คือ การปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจา้าถ้าปฏิบัติตามได้แล้วก็จะได้ประโยชน์ได้ผลอย่างนี้คือใจจะเฉยกับทุกอย่างได้ใจจะไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนเพราะจะรู้ว่าทุกอย่างไม่ใช่เป็นตัวเราของเราสามีภรรยาก็ไม่ใช่ของเราบิดามารดาก็ไม่ใช่ของเราบุตรธิดาก็ไม่ใช่ของเรา เป็นของดินน้ำลมไฟทั้งนะั้นร่างกายของคนทุกคนนี่มาจากดินน้ำลมไฟเดี๋ยวดินน้ำลมไฟเขาก็มาเอาคืนไปส่วนใจของแต่ละดวงเขาก็ไปตามบุญตามบาปตามความอยากของเขาถ้าเขามีความอยากเขาก็ไปเกิดใหม่ถ้าเขาไม่มีความอยากเขาก็ไปนิพพานไม่ต้องไปเกิดใหม่เราไปทำอะไรให้เขาไม่ได้ ทำอะไรให้พ่อให้แม่ไม่ได้ทำอะไรให้ลูกให้หลานไม่ได้ทำอะไรให้สามีภรรยาไม่ได้เรื่องใจนี้ต้องทำกันเองถ้าอยากถ้าไม่อยากไปเกิดใหม่ก็ต้องไปรักษาศีลไปนั่งสมาธิไปเจริญปัญญาให้รู้ว่าการเกิดแก่เจ็บตายเกิดจากความอยากถ้าหยุดความอยากได้ก็ไปนิพพานไม่ต้องกลับมาทุกข์กัน ถ้ายัางหยุดความอยากไม่ได้ก็ต้องกลับมาเกิดใหม่พอร่างกายอันนี้ตายไปเดี๋ยวก็ไปมีร่างกายอันใหม่แล้วก็มาแก่มาเจ็บมาตายใหม่เราก็จะไม่รู้สึกวุ่นวายไปกับใครเพราะว่ามันเป็นเรื่องของที่เราทำอะไรไม่ได้เราทำได้ก็เพียงแต่บอกเขาเท่านั้นเช่นพระพุทธเจ้าพอท่านดูแล้วว่าพวกเราทุกข์เพราะความอยาก ท่านก็นมาสอนให้พวกเราเลิกความอยากกันยิธีจะเลิกความอยากก็ให้ไปถือศีลไปนั่งสมาธิไปสอนใจให้รู้ว่าความอยากนี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์ต่างๆแล้วก็หยุดมันทุกครั้งที่เกิดความอยากถ้าชนะความอยากได้ใจก็ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไปถ้าอย่างชนะไม่ได้ก็ยังต้องกลับมาเกิด ก็ช่วยได้ทานี้เองพระพุทธเจ้าก็ทำได้ทางนี้แต่พระพุทธเจ้ามาหยุดความอยากของพวกเราไม่ได้หยุดความอยากให้กับพวกเราไม่ได้มารักษาสีให้พวกเราไม่ได้นั่งสมาธิาให้พวกเราไม่ได้เราต้องมารักษาสีนั่งสมาธิต้องมาคอยสอนใจเตือนใจให้รู้ว่าภัยที่อันตรายที่สุดสำหรับเราก็คือความอยากของเรานี่เองถ้าเรารู้ เราก็จะได้ไม่ต้องไปเกิดแก่เจ็บตายต่อไปถ้ายังปฏิบัติไม่ได้ก็ตายไปก็ยังต้องกลับมาเกิดใหม่มาทุกข์กับร่างกายอันใหม่ต่อไปนี่คือธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ไม่มีใครรู้เอามาสอนได้ ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้านี้จะไม่มีใครรู้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราทุกคนจะคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราแล้วก็จะทุกข์เวลาที่มันเป็นอะไรไปเวลามันแก่เวลามันเจ็บเวลามันตายหรือร่างกายของคนที่เรารักเราก็ทุกข์ทั้งๆ ท, ที่ไม่ใช่ของเราเรายังทุกข์เลยจะร่างกายของพ่อแม่ของสามีภรรยาของบุตรของธิดา พรร่างกายเขาเป็นอะไรเราก็ไปทุกข์กับเขาแล้วเพราะเราไม่อยากให้เขาแก่ไม่อยากให้เขาเจ็บไม่อยากให้เขาตายไม่อยากให้เขาเป็นอะไรเราไม่รู้ว่าความทุกข์ของเรานี้เกิดจากความอยากของเรานี่อยากให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่เป็นอะไรของง่ายๆอยู่กับตัวเราเรายังไม่รู้เลยเวลาเราทุกข์กันเนี่ยเราไม่รู้อว่าเราทุกข์ความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากของเรา เรากลับไปโทษเขาว่าเขาทำไม่ดีเลยทาให้เราทุกข์กันความจริงเราไปอยากให้เขาดีพอเขาไม่ดีเราก็ทุกข์ถ้าเราไม่ไปอยากให้เขาดีเราก็จะไม่ทุกข์เขาจะดีจะทั่วก็เรื่องของเขาเนี่ยเราไม่รู้ว่าความอยากต่างๆที่เรามีอยู่เนี่ยเป็นตัวที่ทำให้เราต้องมาทุกข์กันกินไม่ได้นอนไม่หลับกัน เพเราไม่เคยสนใจที่จะมาหันมาดูใจเราไม่หาไม่มอคอยเฝ้าดูว่าเวลาใจเราทุกมันทุกข์จากอะไรเวลามันไม่ทุกข์เป็นเพราะอะไรปันจิงไม่ทุกข์อย่างตอนนี้ญาติโยมนั่งเฉยๆได้ไม่ทุกข์เพราะอะไรเพราะไม่มีความอยากแต่เดี๋ยวถ้ามีความอยากนี่จะนั่งเฉยๆไม่ได้หรืออยากจะไปเข้าห้องน้ำํำก็ต้องลุกไป แต่ถ้าหยุดความอยากเข้าน้ําได้มันจะฉี่ตรงนี้ก็ให้ป่นปล่อยให้มันฉี่ไปก็จะไม่ทุกข์ก็นั่งต่อไปได้ น, นี่คือความความจริงที่เรียกว่าธรรมะที่เราไม่รู้กันเราไม่รู้ว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นใจและใจของเราทุกข์ก็เพราะว่าความอยากของเราและความอยากของเรานี่แหละที่ทําให้ใจของเรากลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆ ถ้าเราอยากจะยุติการเวียนว่ายตายเกิดไม่กลับมาทุกกับการมีร่างกายเราก็ต้องมาทำมารักษาศีลมานั่งสมาธิมาเจริญปัญญากันถ้าเรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาเราก็จะหยุดความอยากต่างๆได้พอหยุดความอยากได้เราก็หยุดการมาเกิดมาแก่มาเจ็บม า, มาตายได้ ยืดความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายได้ถ้าไม่มีธรรมะเราจะไม่รู้กันเราก็จะมาทุกข์กันทุกภพทุกชาติพอามาเกิดปั๊บก็เรียกถือทุกอย่างเป็นของเราไปหมดพอได้ร่างกายก็เป็นของเราพอได้สามีได้ภรรยาก็เป็นของเราพอได้ลูกได้หลานก็เป็นของเราไปหมดได้ทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองก็เป็นของเรา แล้วพอต้องพัดผ้าจากของเหล่านี้ไปก็ร้องห่มร้องไห้กันเศร้าโศกเสียใจกันแล้วก็เก็กลับมาหาใหม่อีกเพอะยังอยากได้ยังอยากได้ราบยศสรรเสริญยังอยากได้สามีภรรยายังอยากได้ลูกได้หลานกันก็กลับมาทุกข์กันใหม่นทุกข์กันมาไม่รู้กี่ล้านรอบแล้วก็จะทุกข์อย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุด จนกว่เราได้มาพบกับธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนเนีเรารู้ว่าความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากของเราถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็หยุดความอยากกันหยุดด้วยการรักษาศีลหยุดด้วยการนั่งสมาธิหยุดด้วยปัญญาตอนนี้สิ่งที่เราไม่มีกันก็คือศีลสมาธิปัญญาเราจึงยังทุกข์กันอยู่ในขณะนี้ ยังทุกข์กับความแก่ทุกข์กับความเจ็บทุกข์กับความตายทุกข์กับเรื่องนั้นทุกข์กับเรื่องนี้แต่ถ้าเรามีศีลสมาธิปัญญาครบร้อยเมื่อไหร่เราจะไม่ทุกข์กับอะไรเลยอย่างนั้นถ้าเราไม่อยากจะมีความทุกข์เราต้องขยันสร้างศีลรักษาศีลกันขยันนั่งสมาธิกันขยันศึกษากันสอนใจเตือนใจให้รู้ว่าความอยากนี้เป็น อันตรายเป็นตัวที่สร้างความทุกข์ให้กับเราถ้าเรามีปัญญาคอยเตือนใจสอนใจพอเวลาอยากเราก็จะได้ฝืนมันไม่ทําตามมันพอเราไม่ทําตามมันได้ต่อไปความอยากมันก็จะหมดกำลังไปหายไปแล้วเราจะไม่ต้องทุกข์กับ อ, อีกต่อไปนี่คือเรื่องของของธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นของที่มีคุณค่า และเป็นของที่หายากมากเพราะว่าเพราะว่าพระพุทธเจ้านี้ไม่ได้มาเกิดในโลกนี้บ่อยนานๆจะมีมาสักองค์หนึ่งพวกเรานี้ถือว่าโชคดีมากได้ลาบได้ลาบที่หายากยิ่งกว่าการถูกรอตรีรางวัลที่หนึ่งเกิดมานี่มีใครถูกรอตรีรางวัลที่หนึ่งกันได้บ้างมีไม่กี่ย่คน ชั้นใดการที่ได้มาเจอพระพุทธศาสนานี้มันยากยิ่งกว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งอีกหลายเท่าด้วยกันตอนนี้เราโชคดีมาอาสานที่ได้มาเจอธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้าที่มีคุณค่ามากกว่ารางวัลที่เราได้รับจากการถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งสี่ดังนั้นเราควรที่จะรีบไปขึ้นรางวัลกันวิธีที่จะขึ้นรางวัลของพระพุทธศาสนา คือการจะไปรับพระนิพพานเราก็ต้องไปรักษาศีลไปนั่งสมาธิไปเจริญปัญญากันฉนั้นเราควรที่จะเปลี่ยนการทํางานของเราแทนที่จะไปหาลาบยศสารเสรญแทนที่จะไปหาแฟนหาความสุขทางร่างกายกันเราควรที่จะไปอยู่วัดกันเช่นวันพระนี้ เราไปอยู่วัดกันฝึกกันไปก่อนวันจะให้ไปอยู่ตลอดเลยยังไม่ไหวก็อย่างน้อยมังคับนะเอาอาทิตย์ละวันก่อนไปอยู่วัดวันอาทิตย์ละวันแล้วก็ไปหาศีลสมาธิปัญญากันอย่าไปหาลาบยศสารเสริญอย่าไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันสักวันหนึ่งเปลี่ยนวิธีหาความสุขกันเป็นเป็นวิธีดับความทุกข์กัน วิธีที่เราใช้ดับความทุกข์มันไม่ได้ดับความทุกข์มันมีแต่เพิ่มความทุกข์ให้กับเราตอนนี้เรามาเอาวิธีของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าได้ทรงพิสูจน์แล้วว่าเป็นวิธีวิธีที่ดับความทุกข์ได้อย่างแน่อย่างแท้จริงก็คือวิธีของศีลสมาธิปัญญาวันพระเราก็หยุดทำงานแล้วเราก็มาวาัดกันมารักษาศีลมานั่งสมาธิมาเจริญปัญญาด้วยการฟังเทศฟังธรรม จนเราเกิดความรู้ความเข้าใจว่าความอยากนี่แหละเป็นต้นเหตุของความทุกข์ทั้งหลายแล้วเราจะได้คอยสกัดมันเวลามันโผล่ขึ้นมาตอ น, ตอนเราก็ทำอาทิตย์ละวันก่อนพอทำแล้วเราเห็นผลดีมันทำให้เรามีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงมันก็จะทำให้เราเกิดศรัทธาอยากจะปฏิบัติมากขึ้นเราก็อาจจะเพิ่ม จากหนึ่งวันมาเป็นสองวันจากสองวันมาเป็นสามวันตัดงานทางโลกไปตัดงานการทางตาหูจมูกลิ้นกายทางลาบยศสรรเสริญไปแล้วก็มาทำงานทางศีลสมาธิปัญญาเพิ่มมากขึ้นต่อไปเราก็จะสามารถอยู่วัดได้ตลอดไม่ต้องกลับไปนคนที่มาบวชที่เขาไม่ได้เกิดมาเพิ่เข้ามาบวชเลยเหรอกเขาก็ต้องฝึกก่อน ฝึกมาวันกันที่ละวันสองวันแล้วพอเห็นว่ามันดีมันทำให้มีความสุขมากขึ้นความทุกข์น้อยลงก็อยากจะมาเองมีศรัทธา ม, ามีมีกำลังใจที่อยากจะมาอยู่วัดมากขึ้นนานขึ้นแล้วต่อไปก็จะอยู่วัดไปตลอดเลยแล้วต่อไปความทุกข์ต่างๆก็จะหายไปหมดใจก็จะมีแต่ความสุขเพียงอย่างใดออกไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุด ไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็จะไม่สามารถมาทําให้ใจทุกข์ได้อีกต่อไปร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็ไม่ทุกข์ไม่ว่าจะเป็นของตนเองหรือของผู้อื่นเพราะมีปัญญามีสมาธิหยุดความอยากได้ความอยากให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ไม่พัดผ้าจากกันพอหยุดมันได้แล้วความเศร้าโศกเสียใจก็จะไม่มี ที่เราเศร้าโศกเสียใจกันเพราะเราไม่อยากพัดพากจากกันอยากใช้ให้อยู่กันไปตลอดพอต้องพัดพากจากกันก็เลยร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจกันแต่ถ้าเรามาีสมาธิมีปัญญาเราจะหยุดความอยากไม่พัดพากจากกันได้เพราะเรารู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้การพัดพากจากกันมันเป็นเรื่องธรรมดาเกิดมาแล้วย่อมมีการพัดภาคจากกันเป็นธรรมดา ล่วงพ้นการพัดผ้าจากการไปไม่ได้เกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายล่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้นี่คือปัญญาที่เราจะได้เรียนรู้จากการที่เรามาศึกษามาปฏิบัติมาอบรมจิตใจจนทําให้ใจของเรานี้เลิกความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่พัดผ้าจากกันได้เพราะรู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้ เพราะรู้ว่ามันทุกข์เวลาเกิดความอยากเหล่านี้สู้อยากไปทุกข์ดีกว่าอยากมันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงความจริงอยากไม่พัดพลาคจากกันมันก็พัดพลาคจากกันอยู่ดีอยากไม่แก่มันก็แก่อยู่ดีอยากไม่เจ็บอยากไม่ตายมันก็เจ็บมันก็ตายอยู่ดีเราไปอยากมันทำไมอยากให้มันทุกข์ไปเปล่าๆทำไมก็จะเห็นด้วยปัญญาว่าความอยากนี้มันเป็นตัวทาให้เราทุกข์มันไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงอะไร ความแก่ความเจ็บความตายการพัดผ่าจากกันก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมเราก็เลยหยุดความอยากเราก็เลยไม่ทุกกับการพัดผ่าจากกันไม่ทุกกับความแก่ความเจ็บความตายต่อไปเราก็หลุดพ้นจากความทุกข์กันไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายกันอีกต่อไปนี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการได้สัมผัสกับธรรมะที่เป็นลถแหลดแห่งธรรมชนะรถทั้งปวง ธรรมะนี่เป็นรถที่หวานมากน่าดื่มน่ารับประทานยิ่งกว่ารสของขนมนมเนยต่างๆที่รับประทานเข้าไปมากๆก็สแสลงร่างกายได้ไขมันอุดตันเห็นนะเบาหวานขึ้นแต่รสแห่งธรรมนี้จะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาจะทำให้มีแต่ร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงมีความสุขตลอดเวลาจิต <c oughs> ใจก็มีความสุขตลอดเวลา ดังนั้นขอให้พวกเรามีความจงมีความยินดีได้ทำกันอย่าไปยินดีกับลาบยศสรรเสริญให้มายินดีกับธรรมให้ยินดีกับศีลสมาธิปัญญาแล้วเราจะได้สัมผัสกับรสของวิมุตติคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงดังนั้นในวันพระนี้ก็ขอให้ท่านพยายามปฏิบัติศีลสมาธิปัญญากันถ้าให้ปฏิบัติ มันจะไม่เห็นผลแล้วมันจะเหนื่อยมันจะท้อแท้แต่ถ้าตั้งใจปฏิบัติมันจะเห็นผลถึงแม้ว่าจะเป็นผลเล็กๆน้อยๆในตอนต้นแต่มันจะเห็นว่ามันมันมีผลน่ามันดีกว่าสิ่งต่างๆที่เราได้เคยสัมผัสมาแล้วจะทําให้เราอยากจะปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งเราจะสามารถปฏิบัติได้ตลอดเวลาและสามารถ ยุติความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจของเราได้การแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขออนุโมทนาให้พอ่อนยะถาวาริวาฮาปุราปาริปุเรนติสากลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติ อิติตังปาติตังตุมหังคิปะเมวะสมิจโตสัพเพปเริงโสักปาจันโทปนาอะรโยทามะนิโชติอระโสยทาสัพพิตโยวิวัจจันโตสภโรโขวินัสตุ มาเตผวะตวันตาราโยสุขีธีคายุโกภะอภิวาทนสีริสานิจังวุธาปจายโนจตารุธมรมวะทานติอายุวันโอสุขังภาลังถ้าอยากได้นังสือก็เชิหญหยิบไปได้ ต้องอาไปอ่านนะถ้าอาไปแล้วไม่ได้ไปอ่านยาอาไ ป, าไปบางทีเห็นเขาแจกก็รับไปใครเป็นคนพาเด็กมาเนี่ยวันหลังอย่าพามาได้ไหมเพราะมันไม่ใช่เป็นที่สําหรับเด็กมาเนะเอยนะต้องขออภัยด้วยเอยแต่ก็ยังไม่พร้อมที่จะมารับธรรมะแบบนี้ เด็กก็ยังเป็นลิงอยู่เองอยู่เฉยๆไม่ได้แล้วฟังก็จะฟังไม่ค่อยรู้เรื่อ ง, รองหรอกเพราะมันเป็นธรรมของผู้ใหญ่นนงั้งถ้าอยากจะฟังมันต้องไปติดต่อกับพระข้างล่างเขาจะรับเด็กในพระอยู่ที่วัดยานนยพามาเข้าค่ายได้มาอบารมได้ก็มีค่ายธรรมะรรมสำหรับเด็กแต่สำหรับผู้ใหญ่นี่ข้างบน แต่ไม่ไม่ไม่ไม่ว่าอะไรนะกตยค่ะก็ิดอย่างนั้นเลยครับเหมือนใส่รองเท้าผิดคู่อ่ะเหมือนใส่กู่มันใหญ่ไปอยู่ที่ไหนปัตยยาปัตยยาเป็นโรงเรียนอะไรเป็นโมงิรยที่ทริทรรศตางแตครับรเด็กที่เล่นรอนเด็กเินทำร้ายเด็กเล่นรอนทั้งหมดเลยเลยเด็กทำพลาเลยไม่มีพ่อแม่ที่ รบมาตามถนนนี้นะครับวันนี้พระษระกาศสักสิบประกาศท่านวัดเขาใหญ่แล้วก็กรมหมวงพอแล้วก็วัดัดขาีจันอาเขาชยจัเดี๋ยวลองไปกราบในโบสถ์ก็ได้ที่วัดยางก็มีพิพิธภัณฑ์พระกรรมฐานพระอรหันต์อยู่มีหุ่นขี้เพิ่องให้เด็กไปดูอย่างนั้นก่อนไปศึกษาทางนั้นก่อนไปที่วัดยางมีพระธาตุให้กราบมีพระหลังให้ดูมีหุ่นขี้เพิ่งอะไรต่าง นะนะมีท้หมกี่คนนะรวมทั้งหมดมีคนี่สิแล้วที่ที่ศูนย์มีกี่คนนะทศูนย์ ส, ส, ส, ส, ส, ส, ส, สิบแปดปอที่พัยานี่เลย<ะ>เป็นทั้งหญิงทั้งชายนะี่เป็นผู้ชายอนี<ะ>้ทั้งหญิงทั้งชายนะอายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่อายุเจสิสิบแปดเลแล้วเท่าตัวขึ้นแล้วให้เขาไปทาอะไร ส่งให้เขาเรียนจบนี่แหละใช่อบอกเขาจะพร้อมที่จะไปแล้วเรามีงมีทุนส่งให้เข้าไปถึงต้องไปเรียนตามโรงเรียนต่างๆเราเป็นที่พากันอยู่อาศัยนะเปนบ้านเด็กกำพร้าอย่างนี้นะแล้วใครเป็นคนส่งเด็กมาให้ตำํำรวจนะหรือว่าแล้วทางการก็ช่วยเหลือด้วยปะ รประมาณช่วยไเขาช่วยันประมาณหรือเปล่าต้องหาเองเลส่วนใหญ่มาจากที่ไหนรถประมาณหลังประเทศรับช่วยแล้วของในงมุนานะในการเสียสละในการช่วยชือเพื่อยนู้นดงาพเด็กเข้าวัดกดีแทนดรูด้จักอะไระดงาม เดยมกี่าไปอลยถ้าจะใช้ห้องน้ำาลงไปใช้ข้างล่างดีกว่าข้างามีห้องน้าเยอะห้องน้าเยอะที่นี่มีน้ำน้อยมีใครอยากจะถามให้ภาษาไทยมีคำถามฝากถามมาครับขอถามครับยังไม่จ่างดรื คือที่พระจั๋งบอกว่าจะต้องมีสมาธิสมาธิไม่ต้องถึงขั้นไหนก็ขั้นที่หยุดกิเลสได้นะเพราะเราต้องมีกําลังหยุดกับความอยากความอยากเป็นตัวสร้างความทุกข์เช่นอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายเนี่ยเราต้องหยุดมันให้ได้จนเวลานั่งแล้วเจ็บนี่เราต้องปล่อยให้มันเจ็บไปอย่าไปอยากให้มันไม่เจ็บเพราะเวลาเกิดความอยากไม่เจ็บมันเกิดความทุกข์ขึ้นมาในใจทุกข์ในอริยสัจนี่ย แต่ถ้าเราหยุดความอยากได้ใจเราจะไม่ทุกข์กับความเจ็บเราก็จะดูมันได้นั่งดูเฉยๆได้งั้นเราก็ต้องพยายามนั่งสมาธิให้ผ่านความเจ็บให้ได้ถ้าเราผ่านถ้าเราผ่านได้เราจะสามารถปล่อยวางร่างกายได้เราจะพิจารณาร่างกายว่าเป็นเพียงดินน้ำลมไฟไม่ใช่ตัวเราของเราแล้วมันจะแก่จะเจ็บจะตายเราก็รู้ว่าเราห้ามมันไม่ได้ทําอะไรไม่ได้เราก็ปล่อยมันเทเองปล่อยมันแก่ปล่อยมันเจ็บปล่อยมันตาย พอเราปล่อยมันได้ทุกก็ดับไปเพราะความอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราหยุดมันเราก็ได้นิโรธการดับทุกขได้เพราะมรค ก, ก็คือปัญญากัสติกับสมาธิปัญญาก็คือรู้ว่าอย่าไปอยากญญาให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอยากแล้วมันทุกสมาธิก็หยุดใช้สมาธิหยุดมันพอปัญญาบอกว่าอย่าไปอยากถ้าเรามีสมาธิเราก็หยุดมันได้ถ้าไม่มีสมาธิก็ใช้พุโทโธช่วย พุโทโธพุโทโธไปจนกว่าใจจะหยุดอยากแล้วมันจะไม่ทุกข์กับความเจ็บไม่ทุกข์กับความตายในเวลาไปหาหมอแล้วหมอว่าอาจจะตายได้เนี่ยถ้าเราหยุดความอยากไม่ตายได้เราจะไม่ทุกข์ตายก็ตายทำไงได้มันก็ไม่ใช่ตัวเราเราก็ไม่ได้ตายกับมันไอ้คิดอย่างนี้แล้ว เ, เราก็จะเห็นอริยสัจสี่เห็นว่าทุกเกิดจากความอยากความทุกข์ดับไปเพราะเราใช้ปัญญาสอนใจว่า ความอยากนี่เป็นต้นเหตุที่ทำให้เราทุกข์และสิ่งที่ใจอยากก็ไม่สามารถทำให้มันเป็นไปได้เช่นอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายมันก็เลยเข้าใจอริยสัจ ส, สีเข้าใจร่างกายว่าไม่ใช่ตัวเราของเรามันก็เลยละสักกายทิฏฐิได้มันก็จะหายสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะเรามีธรรมอยู่ในใจเราละเห็นธรรมขึ้นมาละธรรมนี้ก็คือธรรมที่พระเจ้าสอน เมื่อเห็นธรรมก็ต้องเห็นคนสอนด้วยถ้าไม่มีคนสอนจะไม่มีธรรมอันนี้เราจะไม่เห็นธรรมอันนี้จะไม่เข้าใจธรรมอันนี้แล้วคนที่เห็นพระพุทธเจ้าเห็นธรรมก็คือพระอริยสงฆ์ก็คือเราเนี่ยล่ะ้อเราได้บรรลุเป็นพระอริยสงฆ์ขั้นขั้นที่หนึ่งได้เป็นพระโสดาบัน่มันก็เลยหายสงสัยเรื่องเรื่องพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วมันก็ไม่ต้องไปทําบุญเสดาจเคราะห์เพื่อดับความทุกข์ต่างๆเพรามันรู้วความทุกข์มันเกิดจาก ความอยากของเราอบางทีชีวิตเราไม่ดีครอบครัววุ่นวายก็ไปทําหาหมอดูให้เขาสอนว่าจะให้ไปทําอะไรให้ดีมันไม่ดีเพราะมันเป็นธรรมดาคนเราอยู่ด้วยกันมันก็ต้องมีทะเลาะกันบ้างใช่ไหมมันไปแล้วนิจจาไอ้ที่เราทุกข์เพราะเราไปอยากให้มันดีตลอดถ้าเราหยุดความอยากได้ยอมรับว่าอยู่ด้วยกันก็เหมือนลิ้นกับฟันเดี๋ยวก็ต้องมีขบกันบ้างขบแล้วก็ผ่านไป ให้อภัยกันแล้วก็เริ่มต้นใหม่มันก็อยู่ได้กันได้ไม่ก็ไม่ต้องไปทําพิธีกรรมเสด็คอต่างๆมาหยุดความอยากเท่านั้นหยุดความอยากที่จะให้ทุกอย่างมันดีไปตลอดซึ่งมันเป็นไปไม่ได้มันไม่เที่ยงมันดีแล้วเดี๋ยวมันก็ไม่ดีแล้วเดี๋ยวเมื่อกลับมาดีใหม่ชีวิตก็อย่างเงี้ยล้มลุกคุกคานไปเราก็อยู่กับมันไปเราก็จะไม่ทุกข์กับมันก็เลยไม่ต้องไปทําไม่มีศีลพฏตปทาปรามาสไม่ต้องไปทําพิธีกรรมอะไรต่างๆ รักษาศีลอย่างเดียวก็พอเพราะศีลเนี่ยเราเป็นตัวที่ทําให้เราทุกข์เราไม่ทุกข์ถ้าเราทําบาปเราก็ทุกข์ถ้าเราไม่ทําบาปเราก็ไม่ทุกข์ะกะสักสัโยดได้สามตัวเป็นโสดาบันได้โสดาบันก็เลยไม่ต้องไปหาหมอดูอไม่ต้องไปทําพิธีอะไรต่างๆรักษาศีลอย่างเดียวรักษาศีลสมาธิปัญญาอ้อ อ๋อขั้นี้การมันสงบปป๊บหนึ่งเหมือนงูลาบลิ้นถ้าสงบนางก็เป็นอัปปนาส่วนอุปจาระนี้มันพอมันสงบแล้วมันไม่อยู่เฉยเฉยมันไปสอดรู้สอนเห็นไปรับรู้เทวดาไปรับรู้เรื่องราวต่างๆของคนอื่นคนอื่นก็คิดอะไรก็ดันไปรู้เข้าอย่างนี้นเรยวพวกอับพวกอุปจาระสมาธิพวกที่ไปมีคุณ มีธรรมวิเศษคือมีอิทธิฤทธิ์ต่างๆเนี่ยอยู่ในขั้นอุปจารสมาธิแต่ไม่เป็นให้มันนิ่งอย่าให้มันไปอย่าให้มันไปสุกซนถ้ามันจะออกไปหนึ่งมันกลับมาเพราะมันทุกวนแล้วมันไม่มันไม่เป็นกำลังมันจะไม่ช่วยทำให้เราไปฆ่ากิเลสได้เราต้องการให้มันเป็นอัปปนาให้มันนิ่งนานๆเอาล้วนี่วันนี้พอดีเวลาก็หมดพอดี จะถามอะไรป่ะดีไหมอ่านคะถ้าฝึกไม่ค่อยได้ได้น่าสมาธิแต่ว่าพยายามสติตลอดมาแล้ ว, วทำอะไรอะไร น, นี้ได้ผลนะก็ <S <S 2> <S 2> ต้องทําอย่างนี้ก่อนแล้วพอมีสติก็ต้องนั่งเ อ, อนั่งแล้วมันจะสงบถ้านั่งแล้วไม่มีสติก็ก็ไม่สงบเวล า, <ร>านั่งเนี่ยพอลมหายใจเบาๆเนี่ยรู้ตัวแล้วก็เจอออกบางทีอะไรตอนนี้พอดีอ่านหนังสือบอกว่าให้อยู่ตรงนั้นก่อนก็ดึงให้มันเฝ้าดูลมไปเรื่อยๆอย่าปล่อยมันไปไหน จนกว่ามันจะดิ่งเข้าสู่ความสงบแล้วมันจะนิ่งมันจะไม่ไปไหนเองเมื่อต่อติดแล้วพอถึงตอนนั้นรู้ตัวเาๆจะรู้ตวรู้จักลับมาพูดมุนบาตวันนั่งใหม่ทีแสดงสติหมดกําลังเนี่ยต้องฝึกสติเยอะๆก่อนมานั่งอาจารย์แล้วอย่างถ้าเราเราอย่างมันมีรังตัวต่อใหญ่ๆเนี่ยแล้วเราไปก็เรื่องของมันก็อยู่คิดว่าเป็นบ้านของเขาอ๋อถ้าเราจําเป็นจะต้องเอาออก ก็หาบ้านใหม่ให้เขาเถอถ้ามันจำเป็นก็ปล่อยก็อยู่ไปเถอะอยู่เข้าไปถ้าถ้าจำเป็นก็อาจจะต้องใช้ควันไล่มันไปแต่อย่าไปฆ่าเขาอย่างน้อยก็ให้เขามีทางไปแต่อย่าไปทำลายเขาหลีกเลี่ยงการฆ่ากัน ถ้าอยู่ด้วยกันไม่ได้ก็ต้องแยกกันอยู่เช <t> ่นงูเข้ามาในบ้านเราก็ต้องจับมันแต่อย่าไปฆ่ามันจับมันไปแล้วไปปล่อยในป่าที่ไหนมันหนองทางเข้ามาอยู่ที่บ้านเราแต่อย่าไปฆ่าเขาเขาก็เหมือนเราเราก็เราก็หาที่อยู่เห็นนเราก็ไม่อยากตายเรา้เราก็อย่าไปฆ่าเขาไล่ไปไล่ไปไปแล้วจ้างให้ตัวซิกตึงหรือใครที่ก็จับงูเป็นมาช่วยจับให้ไปปล่อย นะโอเคก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำมาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจรารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ